ข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญผิปุโนจังวัดป่าดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็สังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวที่ผ่านทางตาสังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวที่ผ่านทางหูอิจตนาต่างๆด้วยจนถึงทางใจแล้วก็นำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ท่านบูฟังฟัง เว่าสิ่งที่เป็นภาษามากระทบใจมีธรรมะใดๆเกิดขึ้นนำมาแบ่งปันกับทรรมบุฟังทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์มีเจ้าหน้าที่ที่สถานีวิทยุเนี่ยเป็นบุตรีคอยช่วยเหลือแต่อยู่เบื้องหลังทำงานต่างๆเพราะว่างานเผยแผ่ธรร ม, มะเนี่ยมูฟังโดยเฉพาะยิ่งสมัยปัจจุบันนี้มันก็มีสื่ออะไรต่างๆมากมาย มันก็จะต้องมีคนดูแลเรื่องนั้นดูแลเรื่องนี้เรื่องเว็บไซต์ก็กลุ่มหนึ่งเรื่องของรายการวิทยุแล้ก็อีกกลุ่มหนึ่งข้าพเจ้านั้นอยู่หน้าไมพูดกับท่านผู้ฟังเนี่ยก็มีหลายๆคนช่วยกันแต่ทําไมเราจะยินได้ฟังธรรมะอยู่ทุกวนันทุกวันได้ธรรมะนี้มาจากไหนแต่สิ่งที่ข้าพเจ้ารับรู้ขึ้นในใจเป็นภาษาที่มากระทบจากสิ่งต่างๆภายนอกธรรมะนี้มาจากไหน ใครเป็นผู้สอนเอาไว้แต่คือเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วท่านผู้ฟังแต่ว่าจิตใจของคนเราวเวลามีสิ่งใดมากระทบอาจจะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นคนนี้มีความรู้สึกแบบนี้แต่ก็จึงพูดสิ่งนี้ออกมาก็ราลว่าเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเขาในกคนหนึ่งเห็นสิง่งเดียวกันนี่แหละก็มีความรู้สึกแบบหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเขาแต่เขาก็พูดสือาาลล่อสารออกมาในลักษณะใ ด, ดลักษณะหนึ่ง สิ่งที่เป็นธรรมะรายละเอียดพวกนี้พระพุทธเจ้าได้สอนไว้ธรรมฟังฑ์แต่ก็เ ป, เป็นธรรมชาติสิ่งที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ที่ไปขนบแล้วก็เอามาบอกในรายละเอียดไว้ธรรมะต่างๆที่เราได้ยเห็นได้ยินได้ฟังเนี่ยที่ควรละมันก็มีสิ่งที่ควรทําให้มากๆแต่ควรทําให้เจริญควรทําให้แจ่มแจ้งก็มีอันตแบ่งเป็นสองส่วนง่ายๆอย่างนี้ก็คือเรื่องของกุศลกับอกุศลนั่นเองทีนี้เรื่องของกุศลอกุศลเนี่ย มันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นทั้งหมมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วบางที่เราอาจจะมีความรู้สึกต่อเรื่องกุศลอกุศลแต่คนละแบบยกตัวอย่างเช่นภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่บางคนอาจจะรู้สึกดีต่อเรื่องที่เป็นอกุศลแต่มันจะไม่รู้สึกดีได้ทั้งหมดฝังแหม่ก็ ค, คนโกงคนที่หน้าหนาคนที่ทําชั่วทุกอย่างแต่ก็ยังมีความสุขความสํานาจก็าอาจจะมีความสุขนะครับในเรื่องชั่วๆที่เขาทําอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนบุคคลนะ ส่บางคนฝืนในการที่ทําความดีโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากมากทําใจได้ยากมากแต่ก็ฝืนทำํำอดทนทําไปทําได้ยากแตก่อดทนทำํำเพราะรู้ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นกุศลแต่สองคนนี้ยืนอยู่คนละขั้วความคิดก็คนละขั้มกันแต่คนละขั้วทั้งด้านการการะทําคนละขั้วทั้งด้านความรู้สึกเพราะว่าความคิดหรือว่าทิฏฐิเนี่ยคนละขั้วกันนะบุฟัง ยกตอย่างคนที่ทําให้ดีที่กับพระเจ้าได้พูดไปตั้งแต่ตอนแรกแต่ว่าทําอกุศลอะไรต่างๆอยู่ตลอดแต่เขาก็ไม่กลัวตกนรกได้วยซ้ำแตไม่กลัวตกนรกแต่เคยมีคนพูดเอาไว้โอผมดื่มเหล้ากินเหล้านี่แหละบางคนว่าจะไปตกกระทะทองแดงผมนี่จะเอากระทะทองแดงต้มเหล้านที่ว่าอย่างนั้นแล้วก็มีหลายเมียด้วยที่ว่าจะต้องไปปีนต้นยิ้วผมนี่แหละจะเอาขวานนไปตัดต้นยิ้วมาทําฟืนต้มเหล้ากิน ในนรกเอาไว้ย่งนั้นไม่กลัวนรกทํามาฝังทางที่ทําชั่วทําผิดทําบาปแต่อันนี้คือด้วยทิฏฐิความเห็นของเขาเป็นแบบหนึ่งแบบนี้แต่ไม่ก็มีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาแต่ความคิดความเห็นเป็นตลวอย่างกับใครกับคนที่เขากลัวนรกคนดีที่เขากลัวนรกเนี่ยเขาก็เลยไม่ทําชั่วทําผิดทําบาปแต่พอไม่ทําชั่วทําผิดทําบาปแล้วก็ฝืนทําความดีฝืนทําความดีบางทีก็ต้องอดทนนะ าโ อ, โอาจจะเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจบ้างแต่ว่าเขาฝืนทําสิ่งที่ทําได้ยากเป็นสิ่งที่เป็นความดีเขาก็ไม่ไปตกนรกคนที่ไม่กลัวตกนรกด้วยอานาจของความเห็นแบบหนึ่งแต่กลับต้องไปตกนรกคนที่กลัวตกนรกแต่ก็ด้วยอํานาจความเห็นแบบหนึ่งกลับไม่ไปตกนรกแต่มันตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงและแน่นอนนะทุกฝั่งคนที่ไม่กลัวตกนรกเนี่ยด้วยอำนายความเห็นที่บิดเบือนไปความคิดที่บิดเบือนไปของเขา เขาก็ไม่กลัวตายด้วยแตตายที่ไหนก็ไม่มีวันนะจะไม่กลัวตายไม่กลัวใครอยู่แล้วไม่กลัวนรกไม่กลัวอิทธิพลใดๆเนึ่งด้วยความเห็นแบบหนึ่งอันนี้คือด้านหนึ่งส่วนคนที่กลัวนรกแต่เราก็ทําความดีอะไรต่างๆอดทนทําความดีแต่เวลาที่เขาจะตายเนี่ยเขาก็ไม่กลัวตายเหมือนกันนะไม่กลัวตายเหมือนกันเพราะว่ารู้ว่าตายไปเนี่ยไปดีได้แต่สองคนนี้ต่ง้งประวังเนที่ต่างกาันทั้งด้านความเห็น ต่างกันทั้งด้านความกลัวคนหนึ่งไม่กลัวนรกอีกคนหนึ่งกลัวนรกต่างกันทั้งที่ที่จะต้องไปแต่คนหนึ่งก็จะต้องไปนรกละ่ะอีกคนหนึ่งไม่ต้องไปนรกแต่เหมือนกันตรงที่ไม่กลัวตายคนหนึ่งไม่กลัวตายด้วยอํานาจของทิฏฐิความเห็นที่เราเป็นสักยะทิฏฐิแต <s> ่ถือตัวถือตนฉันเจ๋งฉันเก่งแต่ทําความชั่วแต่เจ๋งเก่งในเรื่องทําความชั่วก็เลยคิดว่าไม่มีใครกล้าทําแบบฉัน เพราะไม่กลัวไปตกนรกไม่กลัวตายไม่กลัวบาปด้วยอํานาจของสักกายทิฏฐิส่วนอีกคนหนึ่งเนืกลัวนรกจึงทําความดีแต่พ่อจังหวดใกล้จะตายก็ไม่กลัวตายเพราะจิตใจมีสัมมาทิฏฐิแต่สองคนเหมือนเหมือนกันตรงที่ว่าไม่กลัวตายเหมือนกันแต่คนหนึ่งไม่กลัวตายด้วยอํานาจของสักกายทิฏฐิอีกคนหนึ่งก็ไม่กลัวตายแต่ด้วยอํานาจของสัมมาทิฏฐิ แต่คนที่มีสั ก, กยะทิฏฐิคือความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนแต่ไม่ได้เห็นถูกต้องไม่ได้เห็นว่ามีเหตุปัจจัยในสิ่งใดๆทุกอย่างฉันทำหมดทุกอย่างแต่กรรมเกิดแต่ฉันเองไม่ได้มีผู้อื่นบันดาใดๆเนี่ยเขาก็ไม่กลัวตายจ้ยนี้เพราะว่าไม่คิดว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีแต่คนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยทำความดีเอาไว้ทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเอาไว้ เวลาจะตายก็ไม่กลัวตายเหมือนกันเพราะว่ารู้ว่าโลกหน้ามีฉันไปดีแน่แต่ความสบายใจมันก็เกิดก็ไม่กลัวตายแต่สองคนไม่กลัวตายเหมือนกันแต่คนหนึ่งด้วยอํานาจของสักกายทิฏฐิอีกคนหนึ่งด้วยอํานาจของสัมมาทิฏฐิเดเรื่องพวกนี้ก็ปรากฏไม่ใช่เฉพาะในมนุษย์แต่นนในสัตว์ก็เหมือนกันพระบริชาเคยตรัสไว้ตำหนองนี้ในคาถาคาถาหนึ่งที่พูดถึงว่าสัตว์ที่เป็นอาชาไนเนี่ยก็ไม่กลัวตายแต่ซึ่งคำว่าอาชานัยนั้น เราจะพูดถึงอย่างเช่นช้างอาชาในม้าอาชาในเนี่ยพวกนี้เขาก็ไม่กลัวตายเข้าสู่สงครามไงเขาก็ไม่ตายแต่จะตายแทนเจ้านายตายแทนพระราชาเขาก็ทําได้ด้วยอะไรด้วยอํำนาจของสกิยาธิติแตในสัตว์พวกนั้นส่วนบุคคลอาชาในที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้ก็คือกับพระอาหารหันต์หรือว่าตั้งแต่โสดาบันที่เป็นขั้นผลขึ้นไปเนี่ยเขาก็ไม่กลัวตายเหมือนกันไม่กลัวตายด้วยอํำนาจของอะไร นี่ด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิตรงนี้หลาจึงเป็นไหนที่ให้ข้าพเจ้ามาพูดกับท่านผู้ฟังในเรื่องนี้ว่าคนที่บางทีเราดูภายนอกเนี่ยอาจจะดูคล้ายๆกันแต่คนหนึ่งด้วยอำนาจของสักกายทิฏฐิอีกคนหนึ่งด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิแต่สองคนนี้แต่เขาก็ไม่ลังเลเหมือนกันไม่มีความสงสัยไม่มีความเครือบแคลงไม่มีความลังเลหรือว่าฉันจะต้องไปตกนรกหรือไม่ฉันมั่นใจเลยฉันว่ามันไม่มีหลอกนรกแต่ฉันไม่ไปตกนรกแน่นอน เพราะมันไม่มีอันนี้คือสักกายทิฏฐิแต่ส่วนคนที่มีสัมมาทิฏฐิก็ไม่ลังเลไม่สงสัยเลยแล้วว่าฉันจะต้องไปตกนรกหรือไม่แย่เพราะฉันทําความดีถึงแม้นรกมีฉันก็ไม่ไปตกนรกหนีด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิคนมีสัมมาทิฏฐิกับคนมีสักกายทิฏฐินะเหมือนกันตรงนี้นะไอ้ที่ต่างกันสุดขั้วก็มีแต่ตรงที่ว่าพวกมีสักกายทิฏฐิเนอะก็ไม่กลัวนรกพวกมีสัมมาทิฏฐิ กลัวนรกกลัวบาปเ่าพวกที่มีสักยยะทิฏฐิคุณไปตกนรกได้แต่ยิ่งถ้ามีความเห็นแบบนี้สุดตรงไปข้างนั้นแต่ตกนรกแน่นอนแต่พวกที่มีสัมมาทิฏฐิไม่ตกนรกโดยสามารถปิดอบยัยวุฒิได้มันต่างกันมากตรงนี้แล้วพวกที่มีสักยยะทิฏฐิทำฝังก็ยังมีสุดตรงไปอีกข้างหนึ่งแต่เดี๋ยวเราจะพูดถึงสุดตรงสองข้างแต่สุดตรงด้านหนึ่งเลยคือไม่กลัวตายอ่ะคิดว่านรกอะไรต่างๆไม่มี ไม่ลังเลเลยมั่นใจมากมีความมั่นใจสูงนี่สักกายทิฏฐิด้านหนึ่งสุดตรงอีกด้านหนึ่งแต่ก็กลัวตายมีความลังเลนะไม่มั่นใจอะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้ก็ด้วยอำนาจสักกายทิฏฐิแต่คนที่มีสักกายทิฏฐิเหมือนกันแมมแต่มันสุดตรงคนละข้างเลยคนหนึ่งกลัวตายคนหนึ่งไม่กลัวตายคนหนึ่งลังเลอีกคนหนึ่งไม่ลังเลส่วนคนที่เดินทางสายกลางคือสัมมาทิฏฐิ ไม่กลัวตายเหมือนกับพวกที่มีสักยัติทิฏฐิอีกด้านหนึ่งคือท่าข้าพเจ้าจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพได้เนี่ยเราเหมือนกับว่าคนที่มีสักยัติทิฏฐิเนี่ยมีสุดตรงด้านซ้ายหรือด้านขวาแต่ด้านซ้ายสุดเป็นสักยัติทิฏฐิด้านหนึ่งด้านขวาสุดเป็นสักยัตทิฏฐิอีกด้านหนึ่งและส่วนตรงกลางนี้เป็นสัมมาทิฏฐิแต่ด้านซ้ายสุดสักยัตทิฏฐินี้นี่ยไม่กลัวตายไม่ลังเลนี่ไม่กลัวนรกแต่ว่าไปตกนรกแน่ด้านขวาสุด แตเป็นสักยัตทิฐิแต่เป็นคนกลัวตายเป็นคนลังเลแต่ก็กลัวนรกด้วยแต่ไม่แน่ว่าอาจจะไปตกนรกหรือไม่อาจจะไปหรืออาจจะไม่ไปนี้ยังไม่รู้แต่ด้ส่วนคนที่อยู่ตรงกลางจะเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยไม่กลัวตายเหมือนกันนะไม่กลัวตายเหมือนกับพวกสักยัติทิติด้านซ้ายตรงกันข้ามกับพวกสักยัติทิติด้านขวาเพราะพวกสักยัติทิติด้านขวานี่เขากลัวตายคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิตรงกลางนี้นอกจากไม่กลัวตายแล้วก็ไม่ลังเลเหมือนกัน ไม่ลังเลก็เหมือนกับพวกสักยัติติด้านซ้ายไม่ลังเลเลยเพราะว่าฉันมีความมั่นใจมากว่าโลกนี้โลกหน้าไม่มีนรกไม่มีเหมือนกันคล้ายกันมากแต่ว่าด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิตรงกลางในส่วนด้านซ้ายสุดนี้เหมือนกันอยู่ก็จริงแต่ว่าด้วยอำนาจของสักยัติติเดี๋แล้วพวกที่มีสัมมาทิฏฐิตรงกลางเนี่ยท่านผู้ฟังเราจะไม่กลัวตายไม่ลังเลแล้วกลัวนรกด้วยลกลัวบาปกลัวผลของกรรมชั่วแต่เขาจะไม่ไปตดนรก ในขณะที่ด้านซ้ายสุดพวกสักยทิฏฐิที่ไม่กลัวตายไม่ลังเลเนี่ยแล้วก็ไม่กลัวนรกด้วยแต่ต้องไปตกนรกโดยความเห็นที่บิดเบือนของตัวเองโดยวยหน้าของสักยะทิฏฐิหลายเจ้าความเป็นสักยทิฏฐิในตมวังถ้าไปสุดตรงขวาสุดนูน่นนอกจากกลัวตายนอกจากลังเลแล้วก็กลัวนรกด้วยแต่กลัวนรกนี่มันก็มาเหมือนกันกับพวกของสัมมาทิฏฐิให้กลัวนรกเหมือนกันฮนะ่คนหนึ่งกลัวนรก ด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิคนหนึ่งกลัวนรกด้วยอำนาจของสักรรยญาติฏฐิฟังลองคิดดูแเพราะว่ามีความลังเลความไม่แน่ใจกลัวตายกลัวนรกแล้วก็ไม่รู้ว่าฉันจะไปตกนรกจริงหรือไม่แต่ตรงกันข้ามกับพวกที่มีสัมมาทิฏฐิโดยสิ้นเชิง่พวกสัมมาทิฏฐินี่ไม่กลัวตายไม่ลังเลพวกมีสักยญาติฏฐิด้านขวาสุดนั้นทั้งกลัวตายด้วยทั้งลังเลด้วยพวกที่มีสัมมาทิฏฐิตรงกลางนี้่กลัวนรก แต่ไม่ไปตกนรกพวกที่มีศักยะที่ฐิด้านขวานี้เหมือนกันตรงที่ว่ากลัวนรกแต่ไม่แน่ว่าจะไปตกนรกหรือไม่แต่ความเหมือนความต่างเนี่ยมันสุดขั้วตรงเนี้ยมันไม่ได้จบแก่นี้ตามฟังแต่คนที่มีศักยะที่ดีด้านขวาสุดเนี่ยแน่นอนละ่ะนอกจากกลัวตายมีความลังเลกลัวนรกแล้วเพราะไม่รู้ว่าจะไปอยู่ยังไง i, ยังไงล่ะเราก็ไม่รู้ว่าชาติหน้าต่อไปนี่ยจะไปดีหรือไปชั่วแต่มีความลังเลอยู่ ก็จึงอยากมีชีวิตอยู่อยากที่จะอยู่อยากที่จะหาความจริงในเรื่องนี้ไม่แน่ว่าจะเป็นยังไงอยากอยู่อยู่แต่ซึ่งตรงนี้ก็จะมีความเห็นเดียวกันกับพวกที่มีสัมมาทิฏฐิแต่พวกที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยไม่กลัวตายล่ะแต่อยากมีชีวิตอยู่ไหมเขาก็อยู่ทําความดีก็อยู่ได้ก็อยู่แต่ก็อยากอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้ชิงที่จะฆ่าตัวตายไปก่อนแต่ไม่ได้ชิงสุขก่อนห้ามอยู่ได้ดีทําความดีได้แต่แต่อยู่ด้วยอํานาจของ สัมมาทิฏฐิอีกคนหนึ่งอยากอยู่ด้วยอำนาจของสักยะทิฏฐินั่นมันปไปไงงั้น น, นอยู่แล้วทําอะไรอยู่เขาก็กราบไหว้บูชาแสดงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ที่ควรแสดงความเคารพเขาก็จะมีวิถีชีวิตมีการดําเนินชีวิตอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลใช่ไหมเขาก็กราบไหว้บูชาเคารพนอบน้อมในขณะที่ผู้ที่มีสักยะทิฏฐิอยู่ด้านขวาสุดนี่ ก็กราบไหว้บูชาครบรอบน้องๆเหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันตรงเรื่องของทิฏฐิที่ว่าพวกที่มีสักยัตทิฏฐิประเภทกลัวตายเนี่ยก็จะกราบไหว้ขออ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปรากฏช่วยอย่างนั้นอย่า ง, งาขข น, น, น, นางี้ในการขอการอ้อนวอนด้วยอำนาจของสักยัตทิฏฐิในขณะที่คนที่มีสัมมาทิฏฐิกราบไหว้บูชาด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิและสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องไม่ได้อ้อนวอน ไม่ได้ขอของที่มันจะเป็นไปไม่ได้ให้มันเกิดขึ้นได้แต่กราบไหว้บูชานั้นด้วยจิตใจที่อ่อนน้อมด้วยจิตใจที่มีสัมมาทิฏฐิกิริยาอาการต่างๆเหมือนกันแต่ข้างในความเห็นมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทีนี้ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับพวกสักยญาทิฏฐิด้านทรายสุดที่ว่าไม่กลัวตายแต่ผู้ที่มีสักยญาทิฏฐิชนิดไม่กลัวตายไม่ลังเลไม่กลัวนรกด้วยเนี่ยแต่ว่าต้องไปตกนรกแน่เนี่ยแต่เขาก็จะไม่กราบไหว้ไม่บูชา ไม่ทำอะไรทั้งสิ้นอะ่ะไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยแตนะ่ตรงกันข้ามกับพวกสักยัติทิฏฐิประเภิกลัวตายมากแตนะ่พวกกลัวตายนี่อ้ อ, อนวอนกราบไหวนะ้ขอนะให้ได้อย่างนั้นอย่างนีนะ้เราด้วยอำนาจความกลัวที่เกิดจากสักยทัทิฏฐิไอ้พวกที่มีสักยติทิฏฐิและทําให้เกิดความไม่กลัว่นะไม่กลัวได้ทั้งสิ้นก็ไม่กราบไม่ไหวแตนะ่มีสักยัติทิฏฐิเหมือนกันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงอีก หละไที่ไม่กราบไม่ไหว้ไม่ yeah. บูชานี้ก็มาตรงกันข้ามกับผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิเหมือนกันตอนแรกเหมือนกันตรงที่ไม่กลัวตายไม่ลังเลแต่ต่างกันด้วยอํานาจของทิฏฐินี่คือด้วยอํานาจของสักยะทิฏฐิด้านซ้ายสุดที่ไม่กลัวตายส่วนอีกคนหนึ่งด้วยอํานาจของสัมมาทิฏฐิไม่กลัวตายเหมือนกันแต่ว่ากลัวนรกเหนสิ่งที่ตรงข้ามกันก็คือคนหนึ่งจะมีการกรบนอบน้อมบูชากราบไหว้ด้วยอํานาจของ สัมมาทิฏฐิอีกคนหนึ่งไม่กราบว่าไม่รบบูชาไม่นอบนอบ้อมโดยอำนาจของสักยะทิฏฐิเหมือนกันชนิดที่บางทีดูแยกไม่ออกก็มีแต่ต่างกันชนิดสุดขั้วไปเลยก็มีด้วยความเห็นที่แตกต่างกันนะบ่านอกจากนี้นะคนที่มีสักยะทิฏฐิชนิดด้านซ้ายสุดนีนอกจากไม่กลัวตายไม่ลังเลไม่กลัวนรกแ ต, แต่ว่าต้องไปตกนรกแน่ละเพราะทําความชั่วเอาไว้ไม่กราบไหว้บูชาใดใทั้งสิ้นแล้วก็ไม่เชื่อใคร ใครบอกใครสอนอะไรก็ไม่เชื่อแต่ใครบอกใครสอนทําไมไม่เชื่อเพราะเรื่องในของสักยทิฏฐิแต่นะไม่กราบไหว้ไม่บูช า, ดาใดทั้งสิ้นแต่นะคนที่มีสัมมาทิฏฐิก็เหมือนกันทางฝั่ ง, งเหมือนกันตรงนี้ตรงดีว่าถ้าคนอื่นพูดเรื่องอื่นอะไรที่ไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อแต่นะคุณบูชาต้นไม้สิคุณบูชาภูเขาสิสวนป่าศักดิ์สิทธิ์สินะรุกขเจดีสิให้เห็นตรงนี้เป็นที่พึ่งแต่นะคนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาจะไม่เชื่อ ก oh. ็ไม divine divine divine divine divine you, ่เชื Warri. ่อเหมือนกันนะแต่ไม่เชื่อเหมือนกับคนที่มีสักยะทิฏฐิในด้านซ้ายสุดใครพูดใครอะไรก็ไม่เชื่อจะไม่เชื่อทั้งสิ้นอ่ะด้ยอำนาจของสักยทิฏฐิในขณะเดียวกันด้วยอำนาจของสัมมาทิฏฐิก็บอกให้ไปถือสารณะตรงนั้นถือสารณะตรงนี้เอาภูเขาต้นไม้ท้องฟ้าทะเลพวกเนี้ยเป็นที่พึ่งเขาก็ไม่เชื่ออ๋อไม่เชื่อเหมือนกันแต่คนหนึ่งทางด้านซ้ายสุดดวยอำนาจของสักยทิฏฐิอีกคนหนึ่งตรงกลางดยอำนาจของ สมาทิทิฏฐิไอ้พวกสักยะทิฏฐิเนี่ยท่านผหังซ้ายสุดก็มีขวาสุดก็มีขวาสุดพวกที่มีสักยะทิฏฐิประเภทกลัวตายมีความลังเลกลัวนรกล้วก็ไม่แน่ว่าจะไปตกนรกหรือเปล่ากราบไหว้อ้อนวอนขอบูชาแตนะ่ใครพูดอะไรแต่ก็เชื่อไปหมดละ่ะเขาไปไหว้รางหูก็ไหว้เขาไปไหว้ต้นไม้ก็ไหว้เอาไปขูดเลขตรงนี้ก็ขูดเขาไปนอนในโลงศพกว่ า, ามเนะชื่อไปหมดในเหตุ ป, ปัจจัยแห่งความเชื่อนี่มีเยอะแยะ แต่เป็นของคนอื่นทั้งสิ้นเลยเนี่ยเชื่อคนอื่นไปหมดเนี่ยเชื่อเรื่องโน้นเชื่อเรื่องนี้เขาเขียนข้อมูลมาในในทางอินเทอร์เน็ตส่งอีเมลมาเอาก็ส่งต่อเนี่ยเชื่อไปหมดเนี่ยเชื่อแบบนี้มันนั้นไปเหมือน ก, นกันกับพวกที่มีสัมาทิฏฐิมกันนะท่นผฟังพวกที่มีสมาธิฐิเนี่ยก็มีความเชื่อความมั่นใจความลงใจเหมือนกันมีความเชื่อความมั่นใจความลงใจโดยที่ไม่ได้ต้องมีผู้อื่นเป็นเหตุปัจจัยเพื่อความเชื่อนั้นนี่ยหมายความว่างไง ตรงนเป็นพุทธบูชาธรรมวงังแล้วีพูดถึงบุคคนที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีผู้อื่นเป็นเหตุปัจจัยเพื่อความเชื่อไม่จําเป็นเพราะมีความมั่นใจความลงใจในอะไรในธรรมชาตินี้แหละความเป็นเหตุเป็นผลความที่เป็นสิ่งที่อศาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความเชื่อความมั่นใจความลงใจในเรื่องของธรรมชาติตรงนี้เรื่องของสิ่งที่อศาศัยกันและกันเกิดขึ้นนี้เรื่องของสิ่งที่มีเหตุปัจจัยอย่างนี้มีความเป็นอนัตตาอย่างนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า เขามีความมั่นใจตรงนี้จึงเชื่อได้จึงมีความเชื่อโดยที่ไม่ต้องอาศัยผู้อื่นแต่พวกที่มีสักยะทิฏฐิท่านนั้นขวาสุดเนี่ยก็เชื่อเหมือนกันเนี่ยเชื่อไปหมดเลยแต่ความเชื่อของเขานั้นอาศัยเหตุปัจจัยจากคนอื่นทั้งสิ้นเนี่ยต้องมีคนมาเล่าเรื่องแม้ถ้าเรื่องนี้มันดราม่ามากมากเนี่ยแหมยิ่งมันน่าเชื่อจริงๆแต่ก็เชื่อไปหมดเนีนในขณะที่คนที่มีสัมมาทิฐิตรงกลางนี้ก็เชื่อโดยที่ไม่ได้มีเหตุปัจจัยจากคนอื่น แต่ก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดเนื่อเชื่อเฉพาตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ตามที่มันเป็นเรื่องของในแนวทางธรรมะแตคือพูดง่ายๆว่ามีเหตุปัจจัยในความเชื่อของเขาแต่เพราะว่าเหตุปัจจัยนั้นคือเรื่องของสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิเนี่จึงมีความเชื่อความมั่นใจความลงใจมีเหตุปัจจัยตรงนี้ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าในทางตรงข้ามเดิมฟังเนี่ยพวกสักยัติฏฐิสุดตรงด้านซ้ายนี่นยไม่กลัวตาย ไม่ลังเลไม่กลัวนรกไม่กราบไหว้ไม่บูชาใดทั้งสิ้นไม่เชื่อใครทั้งหมดเลยเน่ยไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเนี่ยก็ไม่มีเหตุปัจจัยในความไม่เชื่อของเขาเน่ยไม่มีเหตุปัจจัยในความไม่เชื่อก็เชื่อว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยใดทั้งสิ้นอ่ะไม่มีเหตุปัจจัยในความที่หมายเป็นมาเป็นไปอย่างนี้ไม่มีเหตุปัจจัยของความเป็นอะไรอะไรเราด้วยอะไรอ่ำนิ่ของสักยญาติติแต่มีสักยญาติติจึงไม่เชื่อไม่ลงใจไม่วั่นใจ ไม่มีเหตุปัจจัยใดๆศักยญาติทิฏก็เป็นอย่างนี้ตรงเงินข้ามมากกับศักยญติทิฏ อ, อีกประเภทหนึ่งทัง้งวังที่กว่าสุดแต่หมดก็เชื่อไปหมดเชื่อเยอะแยะเชื่อหลากหลายเชื่อต้นไม้เชื่อภูเขาเขาว่าอะไรก็เชื่อไปหมดแต่มีเหตุปัจจัยแห่งความเชื่อเยอะแยะแล้วไอ้ที่เยอะแยะเนี่ยจากคนอื่นทั้งสิน้นแตะไม่ได้จากในตัวเองเลยแต่เป็นจากคนอื่นทั้งสิน้นฟังเขาเล่ามาไม่ได้มีการโยนิโสไม่ได้สิการใดๆลเชื่อมันทุกเรื่อง สคนนี้ทะมุฝังน แ, แบ่งเป็นสองส่วนเนี่ยแต่คนในเรื่องเดียวกันส่วนที่เหมือนกันก็มีดูจนแยกแทบไม่ออกก็มีแต่เริ่มจากเรื่องของสักกายทิฏฐิก่อนแต่คนที่มีสักยทิฏฐิเนี่ยตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงก็มีความเห็นเหมือนกันคือเรื่องของสักยทิฏฐิแต่มีทิฏฐิเดียวกันแต่ความคิดไม่เหมือนกันคนหนึ่งคิดว่าไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีนไม่กลัวตายฉันไม่ลังเลใดๆทัึงสิ้น ฉันมั่นใจของฉันมากอย่างนี้ใครไหวยังไงฉันก็ไม่เชื่อและไม่กราบไหว้ไม่บูชาใดใดทั้งสิน้นในความไม่เชื่อของตัวเองเนี่ยก็มีเหตุปัจจัยนํามาจากสักยะทิฏฐิแตะไม่มีเหตุปัจจัยในความไม่เชื่อของฉันล่ะมาจากตรง น, นี้เท่านั้นเองนี่คือสักยะทิฏฐิประเภทหนึ่งสักยะทิฏฐิอีกประเภทหนึ่งแตะมีความเห็นเหมือนกันแต่ความคิดคนละแบบในความมีกับความคิดนี่แต่จะพูดแล้วมันก็ไม่เหมือนกันนะท่านฟังเพราะว่าถ้าทิฏฐิเนี่ยเราแปลว่าความเห็น ความคิดเป็นความดำริเป็นคำพูดที่อยู่ในใจเป็นลักษณะสังกปะเนี่ยมีสักยัตทิฏฐิก็มีมิจฉาสังกปะแต่อิมิจฉาสังกปะมันอาจะตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงมีทิฏฐิเหมือนกันคือสักยัติทิฏฐิเหมือนกันแต่ความดำริแต่ความคิดมันคนละแบบตรงกันข้ามกันคือพวกที่มีสักยัติทิฏฐิอีกแบบหนึ่งความคิดตรงกันข้ามกันกับพวกที่มีสักยัติทิฏฐิคนแรกแต่คนแรกนั้นไม่กลัวตายอย่างที่ว่าไปไม่กลัวเดใดทั้งสิ้น แต่ไม่เชื่ออะไรทั้งสิน้นสักยติทิฏฐิเหมือนกันแต่ความคิดคนละแบบตรงกันข้ามกันไอ้คนนี้มันกลัวตายด้วยแต่มีความลังเลไม่มั่นใจแต่ก็กลัวนรกด้วยเหมือนกันแ ล, ล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนนชาติหน้าพบหน้ามีจริงหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจแต่กลัวตายก็อยากมีชีวิตอยู่เห็พวกที่มีสักยติทิฏฐิแบบแรกเหมือนกันก็จริงแต่ไม่กราบไหว้ไม่บูชาใดๆทั้งสิน้นนชาตินี้ก็กราบก่อนไหว้ก่อนขอพรก่อนนอ้อนวอนขอร้องก่อน ไห like ใครพูดอะไรก็เชื่อไปหมดไหนมีแต่คนอื่นเป็นเหตุปัจจัยในความเชื่อของตัวเองไหนเป็นอย่างนี้นี่คือความเห็นเหมือนกันนะสักกายทิฏฐิเหมือนกันแต่มันผิดบิดเบือนกันไปคนละด้านไอ้ที่มันต่อสู้ทะเลาะกันอย่างเงี้ยก็เพราะความเห็นเดียวกันแต่บังไหนมีทิฏฐิเหมือนกันแต่ความคิดต่างกันพวกที่มีทิฏฐิเหมือนกันแต่กอโตษเถอะเป็นสักกายทิฏฐิมีทิฏฐิเหมือนกันเป็นสักกายทิฏฐิแต่ความเห็นต่างกันเนี่ยมันทะเลาะกัน ะเลาะกันจนจะตายทะเลาะกันจนชาติจะล่มจมก็ iri, m ì m ì appa, ม ma, เพราะว่ามีสักยะทิฏฐิมีความเห็นเหมือนกันแต่มีมิจฉาสังกัปปะไม่เหมือนกันมันจึงมาทะเลาะกันตรงนี้ต่อให้ความเห็นเหมือนกันคือมีทิฏฐิเหมือนกันนะมันก็ลงกันไม่ได้อ่ะแต่เห็นกันตรงนี้คือสักยะทิฏฐิเนี่ยคือทิฏฐิเนี่ยแปลว่าความเห็นนะทิฏฐิเนี่ยแปลว่าความ en, เห็ ok. นแต่มันเปิดให้เห็นเป็นแบบนี้ถ้าพอความเห็นเป็นแบบนี้ความคิดออกมามันก็เป็นแบบนี้ ความคิดที่เป็นไปตามความเห็นที่เปิดบางจุดปิดบางจุดแต่ถูกบิดเบือนไปด้วยสักยะทิฏฐิเน่ยมันจึงมีความคิดที่ออกมาเป็นคนละขั้วออกมาเป็นคนละขั้วทั้งนั้นที่มีความเห็นเหมือนกันทิฏฐิความเห็นในที่นี้หมายถึงสักยะทิฐินะเนี่ยมันเปิดบางจุดมันบิดเบือนตรงนั้นมันบิดเบือนตรงนี้ออกมาในรูปแบบที่คนละขั้วกันแต่ความเห็นเหมือนกันอยู่แต่มันบิดเบือนออกมาให้เห็นต่างกันโดยสิ้นเชิง ความเห็นแบบนี้แหละมันจะพาไปชิบหายแต่ถ้าเห็นแจ่มแจ้งเลยเปิดออกให้เห็นทุกจุดตรงนี้ใช่ตรงนี้ไม่ใช่เปิดออกให้หมดเหลในขณะที่มิจฉาทิฏฐินั้นปิดปังจุดไอ้ที่เปิดนั่นกับบิดบิดเบื้อนเห็นไม่ชัดเจนทําให้มันต่างกันโดยเช้นเฉิงแต่ถ้ามีความเห็นเหมือนกันเหมือนกับอะไรเหมือนกับสัมมาทิฏฐิอันนี้มันไปได้ตรงกันข้ามกันไหมมีส่วนที่ต่างกันก็มีส่วนที่เหมือนกันมีไหมก็มี เพราะว่าสัมมาทิฏฐินั้นเป็นทางสายกลางนะบุฟังเบิดหมดนะเปิดอ้าซ่าให้เห็นทุกจุดเห็นทุกประเด็นทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อที่ถูกเป็นอย่างนี้ไอ้ที่คนนั้นเขาทาถูกก็มีที่คนนี้นเขาทาไม่ถูกก็มีแต่คนที่มีความเห็นแบบนี้กลัวนรกไหมกลัวกลัวนรกนั้นก็ต่างกับสักยติฏฐิด้านซ้ายแต่ก็เหมือนกันกันกบสักยติฏฐิด้านขวาแต่ที่ก็ ก, กลัวนรกเหมือนกันแต่นี่คือความเห็นเดียวกันนะคือสัมมาทิฏฐินะั้ะลังเลไหม แต่คนที่มีสัมมาทิฏฐินี้ไม่ลังเลเอาไม่ลังเลก็เหมือนกับพวกสักยัิทิติด้านซ้ายแต่ว่าต่างกันโดยสิ้นเชิงกับสักยัติทิติด้านขวาความคิดต่างกันแต่ความเห็นถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิเหมือนกันความคิดอาจจะต่างกันได้นตกลัวตายไหมแต่คนที่มีสัมมาทิฏฐินี้ไม่กลัวตายไม่กลัวตายความคิดนิ่มก็ไปเหมือนกับพวกสักยัิทิติในประเภทซ้ายสุดเอาแต่มันก็ต่างกันกับสักยัติทิติประเภทขวาสุด เพระว่ากว่าสุดเขากลัวตายแต่คนที่อยู่ตรงกลางนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องความคิอดอาจจะแตกต่างกันได้อยากอยู่ไหมเขาก็อยากมีชีวิตอยู่สิเขาทาความดีได้ชีวิตมีอยู่แตะไม่ชิงสุขก่อนหามทําความดีก็ อ, อยากอยู่แล้วก็เหมือนกับสักยติทิฏฐิด้านกว่าสุดแต่คนที่มีสัมมาทิฏฐินี้ยังมีจิตใจที่อบอ้อมอารีมีการกราบกรำไหว้มีการเคารพนอบน้อมจิตใจดีงามแต่แต่เคารพด้วยอะไร ด้วยอำนาจของสัมมาทิฐิในที่ว่ามีความเห็นที่ถูกต้องในเชื่อสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยเอาก็ทางกันโดยสิ้นเชิงกับพวกที่มีสักยัตทิฐิประเภทที่ว่าซ้ายสุดนะไม่กราบไม่ไหวใดใดทั้งสิ้นแต่ก็เหมือนกันกับพวกที่มีสักยัตทิฐินะที่กราบไหว้บูชาแต่ว่าขอแต่ว่าอ้อนวอนขอร้องในพวกนั้นเหมือนกันอยู่แต่ว่าทิฐิคนละแบบพวกที่มีสัมมาทิฐิในที่เป็นทางสายกลางเนี่ย จะไม่เชื่อเรื่องที่ไม่ใช่ทางคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ก็จะไม่เชื่อเลยไอ้ความไม่เชื่อของเขานี้นแตมันก็ไม่เหมือนกับพวกสักกายทิฏฐิด้านสายสุดเขาก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันตรงทิฏฐิแต่พวกที่มีสักยทิฏฐิประเภทไม่เชื่ออะไรก็ไม่มีเห็นปัจจัยในความไม่เชื่อของเขาแต่พวกที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยไม่เชื่อสิ่งอื่นๆเพราะว่ามีพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งแล้วมันพอใจแล้วมันดีแล้วคนที่มีสัมมาทิฏฐิเทโหมฟัง ก็จะไม่มีผู halfway, speaking, the the ้อื่นเป็นเหตุปัจจัยแห่งความเชื่อนไม่จำเป็นต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของศาสนาตนก็เชื่อลงใจตรงนี้แต่ความเชื่อตรงนี้แลมันก็ตรงกันข้ามกับพวกสักยติทิฏฐิด้านซ้ายสุดนไม่เชื่อไม่กลัวใดทั้งสิ้นเหมือนกันไปเหมือนกับสักยติทิฏฐิด้านขวาสุดที่เชื่อไปหมดทุกอย่างมีเหตุปัจจัยในความเชื่อเยอะแยะแต่มาจากคนอื่นทั้งสิ้นนเหมือนกันต่างกันก็มีความเหมือนที่แตกต่างกันนั้นเพราะว่ามีทิฏฐิ ค, ความเห็นต่างกันคนที่มีสัมมาทิฏฐิธรรมวั ง, งกลัวต่อบาปละอายต่อบาปนั่นคือมีหิริโอุตปาณนั่นเองเด็จึงกลัวผลของกรรมไม่ดีกลัวนรกเขาก็ทําความดีเขาก็ไม่ไปตกนรกเขามีใจิตใจที่ไม่มีความลังเลไม่มีความสงสยัยความเคลือบแคลงในคําสอนของพุทธะเลยมีความเชื่อความลงใจความมั่นใจมีชีวิตอยู่ก็อยู่อย่างดีอยู่อย่างสร้างบุญสร้างกุศลความเป็นอยู่ของเขาตรงนั้นแต่ไม่เขาอยากมีชีวิตอยู่แต่แล้วเขาจะต้องตาย เขาก็ไม่กลัวตายเพราะว่าถ้าโลกหน้ามีจริงแต่ตรวจสอบได้แล้วมีจริงเขาก็ไปดีถ้าโลกหน้าไม่มีจริงอย่างไรทุกวันนี้เขาก็ยังมีความสุขจิตใจเขาก็จะสบายบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐิธรรมะฟังแต่ตรงกันข้ามแน่นอนกับบุคคลที่มีสักยัตทิฏฐิถ้าเราจะพูดให้ถูกก็คือมีมิจฉาทิฏฐินั่นเองมีมิจฉาทิฏฐิแบบมีสักยะตนั่นคือความเห็นเป็นตัวเป็นตนไม่เชื่อเรื่องสิ่งที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยทําให้บางอย่างเนี่ยมันก็ลงกันได้ ทำให้บรรยาเนี่ยมันก็เหมือนตรงกันข้ามกันแต่ถ้าคนที่ยังมีสักยะทิฏฐิอยู่แล้วความเห็นที่ไม่ลงกันของเขาตรงนั้นก็จะเป็นปัญหาในชาติบ้านเมืองอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันแต่ถ้าส่วนไหนแต่ที่เรามีความคิดคล้ายๆกันกับพวกที่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยจำบังกาพิจาริดว่าเราปรับตรงนั้นได้แต่ส่วนที่เหมือนมันก็มีส่วนที่ต่างมันก็มีถ้าเราปรับส่วนที่ต่างให้มาเหมือนกันเหมือนกับอะไร เหมือนกับพวกที่มีสัมมาทิฏฐิเขาแตบุคคลที่มีสัมมาทิฏฐินั้นเขาก็ไม่ได้เชื่อทุกเรื่องแต่ก็ไม่ใช่ปฏิเสธทุกเรื่องเขเชื่อเรื่องอะไรที่มันเป็นในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อเรื่องอะไรที่มันจะเป็นไปนทางบุญทางกุศลแต่ไม่เชื่อปฏิเสธการกระทําในเรื่องที่มันจะเป็นในทางอ ก, กุศลเรื่องไม่ดีก็ปฏิเสธในการที่จะทำํำและมีชีวิตอยู่ยังมีคุณค่ากราบไหว้กรลบนาบนาก็ด้วยคุณธรรมต่างๆที่บุคคลนั้นมี มีความไม่ลังเลมีความมั่นใจตรงไหนที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดของเราได้ให้มีอยู่ในแนวทางของสัมมาทิฏฐิเนี่ยจิตใจ้อเราก็จะเริ่มสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาแต่ตรงนี้ก็เรียกว่าการโยนิโสมนัสิกาณมบวงหาเรามีพฤติกรรมบางอย่างอย่างเช่นอาจาบอกว่าเรายังกลัวตายอยู่เรามีความลังเลอยู่เวลาไปไหว้รากราพ้าเนี่ยก็อ่อนวอนขอร้องในหายเจ็บไข้ ขอให้ร่ํารวยขอให้สวยนอนวอนเข้าไปเถอะอ้าวตรงนี้มันเหมือนกับพวกสัมมาทิฏฐิยัางไงาแล้วก็ปรับตรงนั้นสัหน่อยปรับจิตปรับใจจากที่มีสักยศทิฏฐิเอากราบไหว้เหมือนกับเขานี่เหมือนกับพวกที่มีสัมมาทิฏฐิเอาเระก็ปรับให้จิตใจของเรามาในแนวทางสัมมาทิฏฐิในพฤติกรรมเหมือนกันอยู่จิตใจก็ปรับด้วยปรับจากที่กลัวตายมีความลังเลหรืเชื่อไปทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยแล้วก็ปรับจิตปรับใจตรงนี้ให้มาในแนวทาง สมาธิเอาตั้งใจทาความดีศึกษาทาการโยนิโสมนัสิกาี๋ยวจากที่มีความลังเลมันก็จะมีความมั่นใจจากที่กลัวตายก็จะไม่กลัวตายจากที่เชื่อไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไปเหตุปัญัยจากคุณื่นทั้งสิ้นมันก็จะมาเหลือเรื่องที่จะต้องสนใจเชื่ออยู่ในแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ก็ปรับตรงนี้แต่ส่วนคนที่มีสักยะทิฏฐิแซ้ายสุดตรงแตะไม่เชื่อใด ไม่กลัวตายไม่ลังเลไม่กราบไหว้หนึงก็มีส่วนที่เหมือนกับพวกที่มีสมาธิถิ่เหมือนกันแต่ตรงที่ว่าเขาก็ไม่เชื่อเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเฮ้ยมีความไม่เชื่อเหมือนกันนะเออลงก็ได้ตรงนี้แต่มีความไม่ลังเลเหมือนกันฮะมีความไม่กลัวตายเหมือนกันฮะแต่อาัยเหตุปัปจจัยอะไรเราก็ปรับเหตุปัจจัยของเราตรงนั้นนให้มาถูกต้องปรบับจิตปรับใจให้ถูกต้องแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายทางวาจาจากที่แข็งกระด้างไม่กราบไม่ไหว้เอาก็มากราบไหว้บูชา ดยใจิตใจที่มีความครบนับน้อมอ่อนโยนเห็นคุณธรรมใดๆต่างๆเหล่านี้ก็จะมี็ูบที่สามารถลงใจได้เชื่อใจได้แต่คนที่มีการกระทําปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากสักยัติทิฏฐิ่ไม่ว่าจะสุดขั้วด้านใดๆก็ตามให้มาอยู่ในแนวทางของสัมมาทิฏฐิธรรมวั ง, งการป ร, ปรับเปลี่ยนตรงนี้คือการโยนิโสมันสิการขอใหะเรามีจิตมีใจในการที่จะตั้งเอาไว้อยู่กับเรื่องของสัมมาทิฏฐิทรรมวังนต่บางที่ดูภายนอกมันบอกยาก แตว่าใครมีสักยัติทิฏฐิแตะดูตรงกันข้ามกันอ้าวแต่ดันมีทิฏฐิในความเห็นที่เป็นสักยัติทิฏฐิเหมือนกันดูเหมือนเหมือนกันกล่าบไบ้บูชาเหมือนกันอ้าวแต่ความเห็นเรื่องในใจนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงเพระาะฉะนั้นข้อมูลที่พระพุเจ้าให้ทัมโมฟังตรงเนี้เพื่อให้มาพิจารณาตัวเราเองดูแต่ว่าเรายังมีสักยัตทิฏฐิไหมว่าเรามีสัมมาทิฏฐิไหมเรามีส่วนไหนเราก็ปรับเอาให้มาอยู่ตรงทางซ้ายกลางเป็นทางที่จะไปให้มันถูกเป็นกระแสทัมโฟัง เป็นกระแสนในการที่จะไปถึงสู่ที่ที่จะผลดุกได้และยตาตัมบูฟังยังมีคําถามก็สงสัยในเรื่องของสักกายทิฏฐิในเรื่องของสมาธิทิฐินั้นก็สามารถเขียนจดหมายมาถามได้โดยส่งมาได้ที่วัาปาดป่าดอนไฮโศเลขที่1หมู่8ตําำบลดอนไฮโศกําเภอหนองหานจังหวัดอดุดรธา น, นีหรือว่าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ p พียวธรรมะ .com p u r e d h a m m a .com พระบาทมพมหาพบูณฯอะภปุณโญเจริญพน